เชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่คนไทยมีเหตุการณ์ที่ททเศร้าพร้อมๆกันอ mm hmm. ีเหตุการณ์นึงก็คือการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัช ก, กาลที่9แม้ว่าในทางพุทธศาสนาพระอาจารย์จะสอนมาตลอดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็เชื่อว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังทำใจไม่ได้ที่เราเห็น mm hmm. ภาพประชาชนเข้าไปกร mm hmm. าบถวายบังคมพระบรมศพเนี่ย mm hmm. ก็ยังคงเสียน้าตาอยู่ทั้งที่ทผ่านมา เ ก, เกือบจะสามเดือนแล้วนะครับสังคมไทยจะผ่านเหตุการณ์นี้แล้วมองอย่างเข้าใจได้ยังไงครับอาจารย์คือถ้าว่าเรานึกถึงแต่ความสูญเสียนะเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าถ้าเราลองนึกถึงน้ําพระทัยและคุณงามความดีของในหลวงเนี่ยอ่ตมาว่าจะเกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเกิดความรู้สึกเพื้นปิติเกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจ ที่อยากจะทําความดีอาตมาว่าอยากจะเชิญชวนะผสมที่กรชาวไท ย, ยได้หันมาเน้นหนักตรงที่พระคุณธรรมของพระองค์นะว่าพระองค์นี่ได้ส่งเสียสละเพื่อผสมที่กรอย่างไรบ้างแล้วเราจะได้เกิดกําลังใจแล้วก็ในด้านหนึ่นเกิดความพื้นปิติดสองอยากจะทําความดีจเจริญรอยตามพระองค์สรลชอพูดเนี่ยนะอ่า การที่พระพุทธเจา้าเนี่ยเสด็จดับการปรินิพนธ์เนี่ยนะสราชาพุทธเนี่ยมันก็คือการเสื่อมสลายของทัศีละธาตุนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระาสำคัญของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้หายไปไหนคำสอนของพระองค์ ร, รัจจิยาวัตรของพระองค์นะซึ่งเปลี่ยนไปด้วยคุณงามความดีแล ะ, ะสามารถจะน้อมนำเราไปสู่วิถีชีวิตที่งดงาม และก้าวข้ามความทุกข์จนถึงจุดที่พ้นทุกข์ได้สหราชาพุทธเนี่ยเราจะถือว่าสารถาของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่พระธรรมคาสอนและพระจริยาของพระองค์อาตมาคิดว่าเราก็ใช้มุมมองนี้ได้นะกับในหลวงรัชกาลที่๙ว่าคือว่าสิ่งที่จากไปเนี่ยก็คื อ, อสังขารขันซึ่งไม่เที่ยงแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นยังคงอยู่และเป็นสารถาที่สาําคัญ นะเป็นตัวแกนหรือที่เรียตัวแทนะ้ของในหลวงรัชกาลที่๙ก็คือน้ำพระทัยและคุณงานความดีของพระองค์แต่กว่าที่เราจะคิดได้แบบนั้นเนี่ยเชื่อว่าก็ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติการทําสภาพจิตใจให้ยอมรับกับความจริงได้นะครับยิ่งพอเราคิดถึงน้ำพระทัยของพระองค์คีดถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ถึงสิ่งที่พระองค์ทำํำความรู้สึกอีกด้านหนึ่งมันจะเกิดขึ้นก็คือทํายังไงก็ได้อยากจะให้มีปฏิหาริย์อยากจะให้พระองค์อยู่กับเราไปตลอดเพราะอะไรเราถึงยังตัดความคิดแบบนี้ไม่ได้ เราะการแรกคือเพราะว่าเราไม่เคยนึกถึงวันนี้มาก่อนนะถ้าเราไม่เคยนึกถึงวันนี้มาก่อนเนี่ยพอวันนี้มาถึงเนี่ยเราจะทําใจได้ยากเพราะว่าไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจนะอีกอย่างนึงเนี่ยคนเราเนี่ยคนไทยทั้งหมดเนี่ ย, เ, ยเรามีในหลวงองค์เดียวตั้งแต่เกิดเนี่ยจนกระทั่งเมื่อที่สิบสาม ตูลา ท, ทุกคนจะมีพ่อมีแม่แต่ว่าเราก็เคยได้ยินว่าพ่อแม่คนนั้นตายพ่อแม่คนนี้ตายในการที่เราได้ฟังบ่อยๆเนี่ยพอถึงคราวที่พ่อแม่เราตายเนี่ยบงทีเราทําใจได้มากกว่าเพราะว่าเคยได้ยินได้ฟังว่าพ่อแม่คนนั้นตายพ่อแม่คนนี้นตายแต่ในหลวงสวรคนเนี่ยฟังชีิตไม่เคยได้ยินใช่ไหมก็เลยคิดว่าในหลวงจะอยู่กับเรา ไปตลอดจนกว่าช่วเราจะหาไหมนะอันนี้มันเกิดเป็นความแตกต่างระหว่างการที่เรายอมรับกับการสูญเสียบิดามารดาบางทีสาหรับบางคนนี่นะทําใจได้ง่ายกว่าการที่จะสูญเสียในหลวงเพราะว่าหลายคนทําใจไว้แล้วเพราะว่าเพื่อนของนั้นก็เสียพ่อเพื่อนคนนั้นก็เสียแม่ก็เลยได้ยินว่าสักวันนึงก็จะถึงคราวที่เราต้องสูญเสียพ่อแม่แต่การสูญเสียในหลวงเนี่ย ทุกคนคนไทยทุกคนไม่เคยเจอพอเจอตูมเดียวเนี่ยก็เลยทําใจไม่ได้เพราะไม่เคยคิดไม่เคยเตรียมแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะก็ต้องยอมรับความจริงความจริงเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือยอมรับและถ้าเรายอมรับความจริงไม่จะเป็นความสูญเสียเนี่ยเราจะก้าวข้ามได้อะไรก็ตามที่เรายอมรับไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์มากเลยจิตมันจะดิ้นดิ้นเพื่อจะผักใสก็ตามดิ้นเพื่อจะ เอาก็ตามเนี่ยมันทุกขทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับได้แล้วก็พยายามมองอย่าง ม, มาว่าอย่ามองลบมองบวกมองลบก็คือมองว่าเราสูญเสียพระองค์ไปแล้วแต่มองบวกคือว่าพระองค์ได้ได้ทําอะไรให้กับพวกเราน้าพระทัยของพระองค์ธรรมกุศลกุศลทุกข์ของพระองค์เนี่ยอันนี้คือมองบวกซึ่งมันจะทําให้เราเกิดกําลังใจเกิดความรู้ที่เป็นกุศลธรรมก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราผ่านพ้น นะความสูญเสียความเศร้าไปได้จริงๆความเศร้าก็ไม่ได้เป็นสิ่งเวลวร้ายนะจริงๆอัตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าความเศร้าเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมประสานน้ําใจของเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเราเศร้าคนหนึงก็เศร้านะคนรอบตัวก็เศร้าเราทุกคนก็เลยเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันถ้าเรามองว่าทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์เนี่ยเราจะรักกันมากขึ้นนะเราจะเราจะอ่อนโยนต่อกันมากขึ้น อาตมาว่าอกจะให้เรามองนะเมื่อมีความเศร้าเกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินให้มองว่าคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนทุกข์เหมือนกันเขาเศร้ากับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นจยให้เราอ่อนโยนต่อกันอย่าอย่าให้มีความอดกันต่อกันอย่าไปจูทโทษเกิดเึ้นกันมากนะนะอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้กับการและกัน คือเหมือนคั่วลบแบบคั่วลบมาเจอกันสร้างให้มันเป็นเป็นพลังบวกไหในๆพระอาจารย์พูดถึงการยอมรับความจริงพูดถึงการตายซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้ชมดูอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้วันปีใหม่นะครับเพิ่งจะขึ้นปีใหม่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยผมชวนพระอาจารย์คุยสนทนาธรรมกันเรื่องการเตรียมความพร้อมสําหรับการตายของเราเองเนี่ยหลายๆคนผู้หลับผู้หลัยจะบอกจะบอกเราว่าอย่าไปพูดถึงความตายมันเป็นเรื่องอภิมงคลเป็นเรื่องไม่เป็นสุริมงคลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันปีใหม่ แต่พระอาจารย์ทำไมทุกคนต้องเตรียมตัวตายอย่างอย่างพร้อมที่สุดว่ามันจะเกิดกับเราได้ทุกเมื่อนะครับจริงๆเป็นหมายตามประเพณีไทยคือวันสงกรานต์เนี่ยเราก็นึกถึงคนที่จากไปนะเราไปาไปไปลดน้ำนะอิฐิธาติของคนเท่าคนแก่ใช่ไหมเราไปทำบุญถวายสังฆทานอันนี้ก็เป็นการเจริญมรรคสตินะตามธรรมเนียมไทยนะเราไม่ได้สนุกสนาน โดยการเอาหน้าไปสายกันอย่างเดียวสนุกสนานอย่างเดียวต่อไปถอยภาพองสุคุลทําสังฆทานให้กับคนที่จากไปแล้วอันนั้นเนี่ยนันก็เป็นการเตือนให้เราเราลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารซึ่งสวรรค์นหนึ่งมันก็จะปรากฏการเล่าเรื่องความตายคราวนี้เนี่ยปีใหม่เนี่ยนะในด้านหนึ่งมันก็หมายความว่าเรานี่มีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสิ่ง แต่แนวเราเดียวกันมันแสดงว่าเรากําลังใกล้ความตายอีกหนึ่งปีมันคือความจริงสิ่งเดียวกันนะเราลอดตายมาหนึ่งปีแต่เราก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีนะให้มองให้มองความจรงประการหลังด้วยเวลาเราเข้าดาเยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเราเข้าดาไม่กี่วันเราเข้าดาเราอยาเข้าดาแต่เพียงว่าเข้าดาให้วันให้ตีเก่ามันสิ้นสุดเราต้องเข้าดาชีวิตเราด้วย นะเพราะว่าชีวีเราเนี้ก็ถอยหลังวันเวลาของเราเมันถอยหลังนะมันลดน้อยถอยลงไปทุกปีทุกปีทุกปีกปอันนี้คือความจริงที่เราไม่ควรจะมองข้ามและถ้าเราตระหนักนะว่าว่าเวลาของเราเหลือ่น้อยลงไปทุกทีเราใกล้ความตายเข้าไปอีกหนปีเนี่ยไม่ทําให้เราเกิดความไม่ประมาและความไม่ประมาเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลผู้เจ้าตรัสว่า ความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลสามสที่พระเนี่ยสาธยายในงานขึ้นบัมใหม่ในงานมงคลทุกครั้งเนี่ยนะก็จะมีข้อนี่ก็คือว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบความหมายฟังส่วนพนมมือและฟังอย่างเดียวนะครับถ้าเราเรารึกถึงความตายของเราในวันขึ้นปีใหม่ว่าเราใกล้ความตายก็แ่อกหนึ่งปีแล้วเราก็ไม่ประมาทกับชีวิตอันนี้เป็นมงคลแล้เป็นมงคลอันสูงสุดด้วย ไม่ใช่ประมงคนแต่ถ้าเรานึกถึงความตายของเราแล้วเราคดพูเราไม่เป็นอันทำลายเนี่ยอันนี้ไม่ดีนั่นให้เราเราลึกนึกถึงเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทเพื่อที่เราจะได้ค้นขวายบอ ก, กบตัวเองว่าหนึ่งปีเนี่ยอีกสามราอยหกสิบห้าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรดีๆเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้ฉลองปีใหม่อีกกี่ปีเพราะนั้นถ้าปีนี้เรายังอยู่ได้ตลอดทั้งปีเนี่ย สิ่งดีๆที่เราจะทำมีอะไรบ้างทำปีใหม่นี้ให้ดีที่สุดหรือทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ปีใหม่นี้หรือถ้าดีก็ทำแค่แต่วันนี้เลยอันนี้คือคือท่าที่หวงชาติพุทธนะคือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งดีที่สุดที่ควรทำต้องทำแค่แต่วันนี้งับ น, นถ้าเราจจเจริญเจริญสตินะหรือว่าจเจริญมรณนนะสติเนี่ย โดยสายวันขึ้นปีใหม่นะเป็นเครื่องเตือนใจมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ปีใหม่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาที่เหลือของเราซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช้ลมหายใจของเราเซึ่งไม่รู้จะหมดไปเมื่อไหร่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าปีใหม่จะไม่ใช่เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานรื่นเริงเสร็จแล้วก็พอมันผ่านไปก็ขอเหียวหลายคนเนี่ยพอถึงวันที่สองม ก, การาสามม ก, การาเนี่ยอเดียวแล้วหอเหียวแล้วต้องกลับไปทํางาน แต่ถ้าทำอย่างที่จะมาว่าเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้ น, น <c oughs> จะเกิดความขนไหวายาว่าปีนี้นะเราจะทำให้มันดีขึ้นเราจะมีเวลาให้กับตัวเองในการเจริญสมาธิภาวนามากขึ้น <c oughs> นะเราจ ะ, ะทำความดีให้มากขึ้นเราจะมีเวลาดูแลพ่อแม่ให้มากขึ้นเริ่มต้นตรงนี้นะหม่ใช่จะทำให้ปีใหม่ เ, เป็นปีที่ ดีกว่าปีก่าแต่ถ้าพระอา<พ>อจารย์บอกว่าเราทุกคนจะต้องเตรียมตัวสำหรับวันนั้นเพื่อจะใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ประมาทเนี่ยบางคนอาจจะตีความหมายถึงการปรง่งหมายถึงการอยู่เท่าที่มีอยู่เนี่ยไม่ต้องไปทะเยอะทะยานไม่ต้องขยันขันแข็งมากมายสักวันหนึ่งเราก็ตายอาจจะมีคนตีความแบบนี้คําสอนแบบนี้หรือเป่ะอันนั้นไอ้การโปรงเนี่ยก็มีประโยชน์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพูดถึงความไม่เที่ยงชีวิตเนี่ยในด้านหนึ่งเขาบอกให้ให้จับล่อยวางบ้างที่พระสวด มอสกุลเนี่ยมอสกุลตายเยอันที่จวัตสังคารานเนี่ยความหมายคือเพื่อให้รู้จักปล่อยวางเพราะว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะแต่คนเราจะปล่อยวางอะไรได้เนี่ยนะมันต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่คนที่จะโปร่งเนี่ยนะคนที่จะปรง่นะปรงโดยที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะอันนี้ถือว่ายังทําไม่ครบถ้วนเพราะว่าแค่ทําจิตผูเจ้าเนี่ยเวลาสอนเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยท่านจะสอนสองแบบ 1. ทำจิตก็คือปล่อยวางสองทำกิตก็คือขนขวายปัจฉิมบอกว่าผู้เจ้าเนี่ยที่ผู้เจ้าบอกว่าสังขานทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะก็หมายความว่าในเมื่อเราไม่ช่วยเราไม่เที่ยงเนี่ยนะในด้านนี้ต้องรู้จักปล่อยวางเพราะไอ้อสิ่งที่เรามีเนี่ยยึดมั่นถือมันไม่ได้สักวันึงก็ต้องสูญสลายไปนี่เรียกว่าทจิต แต่ทำจิตอย่างนี้ไม่พอผู้เจ้าสอนให้ทํากิจก็คือเนี่ยให้ผลขวายให้ทําความเพียรให้ทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่โสมหมายนนี้หมายถึงการทําความเพียรก็คือทํากิจต้องทำสองอย่างทําจิตและทํากิจถ้ารงหดหูไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไม่ครบถ้วนทําแค่ครึ่งเดียวคือทําจิตแต่พร่องเรื่องการทํากิจอันนี้ไม่ถูกครับนะคนไทยบางทีไปเข้าใจว่าผู้เจ้าสอนให้แกให้เรื่องทําจิตอย่างเดียว ที่จริงพุทเจ้าสอนให้ทกิจ ด, ด้วยแล้วถ้าเราทํากิจทําหน้าที่ดีนะไอการทําใจปล่อยวางเนี่ยมันก็จะเป็นไปเองครับมีหลายคนใช้โอกาสปีใหม่เริ่มต้นสิ่งดีดีด้วยการไปดูว่าปีนี้ตัวเองเป็นปีชงหรือเปล่านะครับแล้วพอดูไปดูมามันก็ชงทุกปีเลยครับ<พ>อาจารย์ครับก็ต้องไปขวนขวายไปทําบุญที่นั่นที่นี่ไปไหว้พระต า, ตามนู่ตามนี้ตามวันเกิดของเราเนี่ยอันนี้มันคือปรากฏอาการอะไรของชาวพุทธครับเราไป หวังพึ่งโชคชะตาเราเอาชีวิตติตใจเนี่ยไปผูกติดไว้กับดวงดาวมากไปซึ่งไม่ใช่คําสอนของชาวพุทธไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ควรเป็นวิธีของชาวพุทธนะพุทธเจ้าเนี่ยในเรื่องกรรมนะในเรื่องกรรมคือว่าอะไรจะดีหรือไม่อยู่ที่การกระทําของเรานะเลิกยาเนี่ยนะสาวพุทธศาสนาแล้วคือว่าสะดวกทําความดีเมื่อไหร่นะ เมื่อ น, นั้นเนี่ยเป็นเลิกดีเป็นยามดีทำความดีตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเลิกดียามดีนะมันจะชงยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะมีความเพียรมีสติมีความตั้งใจทำความดีเนี่ยแม้จะแม้จะร้ายก็จะกลายเป็นดีนะแต่ที่สถึถึงที่สุด่แล้วเนี่ยดีของเราดีจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เนี่ยไม่ได้ที่เลิกยาม อยู่ที่การกระทําของเรานะเจออะไรก็ไม่สําคัญทั้งกว่าใจเราเป็นอย่างไร น, นี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะอย่าไปคิดว่าเราเจอสิ่งแย่เราติองจะทุกข์หลายคนแม้เจอสิ่งแย่แต่ว่าใจเนี่ยเขามีสตินะเขามีปัญญาเขาก็เปลี่ยนแย่ให้กลายเป็นดีได้สามารถจะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้นะเจอแย่แต่กลายเป็นดีเพราะใจเนี่ยนะมีสติมีปัญญาครับ อาตมาคิดว่าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าคนไทยเราต่างจาคนญีุ่นนะคนไทยเวลาอวยพรก็อวยพรมาขอให้โชคดีแต่คนไทยเขอวยแต่คนญี่ปุ่นเขาอวยพรว่าอะไอวยพรเรากำบัดเตก็ขอให้คือแปลว่าขอให้มีความเพียรขอให้มีขอให้สู้ต่อไปขอใ้อย่าให้ท้อถอยนะเขาไม่ได้หวังเขาไม่ได้หังไม่หวังพึงโชะตาไม่หวังลาบลอยขอให้โชคคนไทยเราส่วนมากเนี่ยเกบอกเป็นชาวพุทธ แต่ว่าเรากับหวังรับลอยคอยโชคหรือไม่ก็พึ่งพาโชคจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าโชคยังไม่มาหรือว่าเลิกยามนะไม่ดีนะและคนและคนที่คํานวณเลิกยามนี่แล้วก็เป็นใครก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้บอกว่าปีนี้ปีชงแล้วเชื่อเขาเชื่อเขาเราเอาชีวิของเราเนี่ยไปไปผูกติดไปอยู่ภายใต้การครอบงาของคนบางคนนะซึ่งเราไม่รู้อกเป็นใครเขาเก่งแค่ไหนเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าปีนี้ปีชง เราก็ผวาแล้วเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วนะเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้แล้วทําไมเราจึงยอมตัวอย่างนี้อยู่ในอนํานาจของเขาคใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะครับหรือ บ, บางคนบอกว่าปีที่แล้วไม่ดีเลยแทงหวยไม่ถูกเลยนะครับปีหน้าเนี่ยขอใหม่เดี๋ยวหวังเอากลางเดือนกับปลายเดือนแล้วชีวิตก็วนเวียนอยู่แบบนี้ครับหวังว่าสักวันหนึ่งจะถูกลงวันที่หนึ่งทุกคนคงเป็นคำพูดติดปากว่าสักวันหนึ่งนะถ้าถูกรลงวันที่หนึ่ง ทำไมเนระถึงไม่ผูกติดกับรางวัลที่หนึ่งนี้มากขนาดนั้นครับเพราะเราคิดว่าถ้าเรามีเงินถ้าเรารวยเราจะมีความสุขแต่ว่ามันไม่จริงเลยว่ารวยแล้วจะมีความสุขคนที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากเขาก็มีเงินใช่ไหมแต่เขาก็ไม่พบความสุขคนที่เครียดคนที่เป็นโรคศระสตรเขาก็มีเงินเขารวยแต่ทำไมเขาเป็นโรคจิตเขาเป็นโรคประสาทําไมเขาต้องกินยานนอนหลับทุกวันนะ เราไปเข้าใจว่ามีเงินจึงจะมีความสุขแต่ที่จริงไม่ใช่ความสุขมันอยู่ที่ใจความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้อะไรนะแต่มันที่ว่าเราทำอะไรหรือเรามองอย่างไรนะถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะแม้มีเงินไม่มากเราก็มีความสุขได้ใช่ไหมคนป่วยคนที่เป็นมะเร็งหลายคนทำไมมีความสุขมากมนคนที่มีสุขภาพดี คนพิการนะคนตาบอดทำไมหลายคนนะมีความสุขมากกว่าคนที่สุขภาพดีนะมันมีคนแบบนี้เยอะแยะเลยนะที่แม้ว่าเขาจะเจอสิ่งแย่ๆนะแต่เขามีความสุขเพราะสุขอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ว่าคุณได้อะไรมาไม่ได้เชื่ว่าคุณเจออะไรมามันก็มีคนนะที่เคยถูกล็กตี้รางวัลที่หนึ่งมีรายนึงเนี่ยถูกล็อกตี้รางวัลที่หนึ่งยี่สิบล้าน เป็นพ่อค้าเร่ขึ้นหน้าหนึทะลับนะเดือนต่อมาก็ขึ้นอีกว่าพ่อค้า<ง>เร่นะถูงยี่สิบล้านซดอยาพิฆาตัวตายเพราะว่าพอเขาถูกลอตเตอรีร่เนี่นะแทนที่เขาจะมีความสุขช่วยเขาก่า บ, บุ่นวายใครต่อใครก็มาขอใครต่อใครก็มาเรียกร้องเขาก็ให้นะแต่ว่าหลายคนไม่พอใจได้มืน่นอยากได้แสนไม่พอใจ ครอบครัวแตกแยกพ่อครัวไม่แตกแยกแต่ว่ามันมีคนเนี่ยมาขู่โทรศัพท์ขู่ฆ่าเขาแ ล, ลูกสาวเขาทนไม่ไหวเขาทนไม่ได้เขาก็เลยกินน้ําย า, างน้ํำยาล้างห้องน้ำเขาก็เลยกรอกปาครับแต่โชคดีที่ลูกสาวไปช่วยไว้ได้ทันผู้สึกอข่าไปสัมภาษณ์เขาที่โรงพยาบาลตอนที่เขาเริ่มพูดได้เขาผูป้ปิโยนเขาบอกว่าเนี่ยตอนเป็นพ่อค้าเร่หาเช้ากินค่ํา มีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าตอนถูกรัตติรังที่หนึ่งนะถ้าเราได้โชคได้ลาบแต่เราวางใจไม่เป็นหรือเรารับแรงกดดันไม่ได้ทุกข์มากนะบางทีฆ่าตัวตายหรือบางทีครอบครัวแตกแยกทะเลาะ ก, กันแย่งมรดกแย่งสมบัติกันเหมือนกับคนครอบครัวจำนวน ม, มากที่ขายที่ดินได้หลายสิบล้านเสร็จแล้วก็ครอบครัวก็ทะเลาอะอ ก, กันนะ ได้โชคได้ลาภแต่ทําใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นมันจึงเป็นทุกข์กับลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยทศมาคิดว่าอย่าไปสนใจว่าเราจะได้อะไรจะเจออะไรสนใจว่าใจเราเป็นอย่างไ ร, รดีกว่าทั้งนั้นให้พระอาจารย์สรุปตรงนี้ครับว่าปีใหม่นี้ถ้าจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งการทั้งจิตและกิจอย่างที่อาจารย์พูดพระอาจารย์พูดเมืาา่อสักครู่เนี่ยเราควรจะเริ่มทบทวนตัวเองจากอะไรก่อนครับอย่างแรกคือนะอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็รู้จักปล่อยวางบ้าง อะไรที่มันเป็นทําให้ทุกข์ทำให้กุ้ม อ, อกกุ้มใจทําให้โกรธแค้นปล่อยให้มันลอยไปตามกระแสะของการเวลานะถ้าเรายังอยู่กับเหตุการณ์เก่าๆใจเราก็ยังเก่าเหมือนเดิมไหนๆจะปีใหม่ล้วก็ควรให้ใจเราใหม่ใจเราจะใหมแ่แด้ก็ต้องปล่อยอารมณ์เก่าๆที่หมักหมม อ, ออกไปปล่อยให้เรื่องราวในอดีตนะที่มันเจ็บปวดรำทดให้ผ่านเลยไปนะ และขณะเดีกันก็คือมองไปข้างหน้านะด้วยใจที่สดใสมีความหวังและขนขไายในการทํากิจเลืออยู่เสมอว่าเวลาเราเหลือน้อยเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ขณะที่เรายัางมีลมหายใจอยู่ทําสิ่งที่ดีที่สุดสแต่วันนี้อย่าผัดพ่อนะไม่ว่าจะเป็นการทําประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านการดูแลสุขภาพร่างกายการดูแลจิตใจของตัวการทําหน้าที่ต่อลูกหลานต่อพ่อแม่ นะรวมทั้งการบอมเป็นยัวต่อส่วนรวมนะต้องเร่งทำระลึก อ, อยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาความตายที่จะมาถึง เ, เป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นอยากจะทำความดีเนี่ยภาษาบริว่าสังเวชหรือสังเวชะแต่ว่าภาษาไทยมันแปลว่าหดหู่นะสังเวชเนี่ยนะมันเป็นคําดีทําให้เรากระตือรือร้นอยากจะทำความดี สังเวชชีสถานเนี่ยก็คือสถานที่ที่ไปตะตุ้นให้เราเนี่ยอยากทำความดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ปีใหม่ให้เป็นประโยชน์นะมันจะไปทาให้เราเนี่ยสามารถจะนําพาชิตไปสู่ความเจริญงอกงามและมีความสุขได้ด้วยการทําจิตและการทําจิตผู้ชมครับวันนี้เชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคําสอนของพระอาจารย์ที่ขัดกับความเชื่อของผู้ชมบ้างนะครับชเช่นว่าในวันปีใหม่เรามาพูดถึงความตาย ในวันปีใหม่ที่หลายคนอาจจะเตรียมออกไปจะทำบุญเพื่อจะแก้ปีชงหรือว่าเตรียมจะแทงหวยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งให้ได้แต่ว่า น, นี้ก็เป็นวิธีคิดแบบพุทธศาสนาจริงๆกับปีใหม่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับวันนี้นมัฒสการพระอาจารย์ครับอาจารย์พลขอปีทีตอนลุกเมกื่ <c oughs> อกี้โอเคโอเคงั้นหันหันมาคุย <c oughs> หันมาสรุป้วหันน้องสกษาทีนะโอเคจะน้างคัสรุป าาเอาใ จ, าจานั่นงก่อนโอเคต่อครับแต่ น, นี่หันเลยเนาะตอนรูป ก, ก็หันเลยเนาะเปิดคอต่อห้าสี่คุณผู้ชมครับเชื่อว่าคำสอนของพระอาจารย์ไพศาลวันนี้อาจจะมีหลายๆอย่างที่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นว่าวันปีใหม่ทำไมเราถึงมาพูดถึงการเตรียมตัวตาย ทำไมเราถึงมาแย้งความเชื่อที่ว่าจะต้องไปทำบุญเพื่อจะแก้ปีชงหรือว่าความหวังว่าสักวันหนึ่งจะถูกรางวัลที่หนึ่งกับการแทงหวย น, นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาจริงๆที่จะทำให้คุณผู้ชมเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้นวมศักาิ์พระอาจารย์ครับเปิพร้อคขอบคุณครับพระอาจารย์ฉันน้านิดหนึ่งไหมครับจะได้สะเหนือนิดนึงได้ไดได อันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับอันนี้ของปีใหม่ครับอาจารย์ครับตัวเลข